เรื่องพระชาพกีนั่งราบบนอาสนะปะวารณาทรงอนุญาตให้นั่งประยงปวารณาข้อส1งสสมัยนั้นเมื่อภิกษุผู้เทราทั้งหลายนั่งประยงปวารณาพวกภิกษุชาพกีอยู่บนอาสนะบรรดาพวกภิกษุมีความมักน้อยพากันตำหนีประนามโผลนทนาว่าฉไ น, นเนื่อพภิกษุผู้เทราทั้งหลายนั่งประยงปวารณา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 ทั้งหลายนั่งกระยงปวารณาโมฆะบุรุษพวกนี้จึงอยู่บนอาสนะเล่าการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรง ต, รงตาหนิแล้วทรงสแสดงธรรมีกรถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบรันรดาภิกษุผู้เทระทั้งหลายนั่งกระยงปวารณาไม่พึงอยู่บนอาสนะรูปใดอยู่ต้องอบัตทุ ก, กฎภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทุกรูปนั่งรประยงปวรณานสมัยต่อมาพระเทระรูปหนึ่งชาราทุพพลภาพนั่งประยงรอจนกว่าภิกษุทุกรูปจปะปวรณานเสร็จได้เป็นลมล้มลงภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งประยองชั่วเวลาปรวรณ า, นานและให้ภิกษุปรวรณานเสร็จแล้วนั่งบนอาสนะ